เรื่องศาลหนองตะโกที่ตำบลหนองกรดได้มีศาลตั้งอยู่ริมทางรถผ่านไปมารถทุกคันผ่านหน้าศาลจะต้องบีบแตรททาความเคารพเจ้าแม่หนองตะโกแต่ก็ยังมีบางคันไม่เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้บีบแตรททาความเคารพเลยก็มีแต่ผู้นั้นไม่แสดงกิริยาวาจาออกมาให้รู้เห็นบางคันไม่เชื่อ แต่ก็ต้องบีบแตรกระทําตามคันอื่นยังมีคนขับรถของร้านขายเครื่องเหล็กในตลาดนครสวรรค์คันหนึ่งคนขับชื่อนายประเจิดเป็นหนุ่มคะนองอายุ26ปีเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณวันหนึ่งนายประเจิดขับรถจากนครสวรรค์ผ่านศาลเจ้าแม่หนองตะโกระยะทางจากนครสวรรค์ถึงศาลเจ้าแม่4กิโลเมตร เมื่อรถนายประเจิดผ่านหน้าศาลนายประเจิดก็ตะโกนขึ้นว่าเจ้าแม่สวยจังเลยแต่ไม่ต้องบีบมันละ่ะนี่เป็นคำเล่าของนายประเจิดเพราะนายประเจิดเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องวิญญาณเข้าใจว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่มีจริงการลองดีเจ้าแม่จึงเกิดขึ้นข้าพเจ้าขอให้นายประเจิดเล่าต่อต่อมาผมก็ไปรื้อศาลเจ้าแม่ ผ่านไปได้ปีหนึ่งผมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนายประเจิดบอกข้าพเจ้าแล้วประเจิดรื้อสารเจ้าแม่เพราะอะไรอ่ะข้าพเจ้าถามก็ความขนองและรองดีของผมนั่นแหละครับนายประเจิดอธิบายในปีที่นายประเจิดรื้อสารเจ้าแม่นั้นเป็นปีพุทธศักราช2 5งาผ่านมาได้ปีหนึ่งนายประเจิดไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นและยังคงผ่านหน้าสารเจ้าแม่ไปมาอยู่เสมอ และทุกครั้งที่ผ่านก็ยังพูดต่างๆในการลองดีต่อมาปีที่สองก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผ่านหน้าศาลก็อดที่จะพูดไม่ได้เพราะการไม่เชื่อว่าจะมีเจ้าแม่จริงต่อมาเมื่อปี2512เพื่อนร่วมงานกับนายประเจดได้เล่าว่านายประเจิดได้นำรถไปบนเขากบพอกลับลงมา คืนนั้นก็พูดไม่ได้จึงเป็นเรื่องที่ต้องพากันมายัางสำนักเทวปูชนียสถานแห่งทูตวิญญาณเมื่อข้าพเจ้าชี้แจงให้ทั้งหมดทราบเป็นที่เรียบร้อยและเข้าใจกันดีแล้วทุกคนก็ลาข้าพเจ้ากลับพอตกตอนบ่ายข้าพเจ้าให้สามีของข้าพเจ้าไปบอกเคล็ดวิธีแก้ในการดื่มเลือดให้เจ้านายของนายประเจิดทราบทางเจ้านายของนายประเจิดรับคำว่าจะทําตาม ในวันเดียวกันนั้นเจ้านายของนายประเจิดก็เรียกเด็กหญิงรุ่นสาวมาสองคนและเอาเข็มแทงที่ปลายนิ้วเอาเลือดเพียงสองหยดให้หนายประเจิดกินเป็นพิธีพอเลือดสาวโครมจารีตกถึงปากนายประเจิดก็พูดได้ทันทีทุกคนในที่นั้นต่างก็เห็นความมหัศจรรย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จบเรื่องของคุณประเทืองลุยสว่าง เมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2513ข้าพเจ้านายเซ้งองค์สูมาลินเลขที่1 14, ทับ14ถนนสุชาดาตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายประเจิดสีม่วงและเพื่อนได้พากันไปยังสำนักเทวปูชนียสถานทูตวิญญาณเพื่อไปหาอาจารย์ประเทืองลุยสว่างเพื่อรักษาเนื่องจากในการพูดไม่ออกต่อจากนั้น ทางสำนักแนะนำให้ดื่มเลือดสาวพมาจารีแล้วก็พูดได้ทันทีอย่างไม่น่าเป็นไปได้วันต่อมาทางสำนักได้เชิญตัวนายประเจิดและข้าพเจ้าไปด้วยทางสำนักได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงพูดไม่ได้นายประเจิดได้เล่าว่าเคยพูดจาสบประมาทว่าในทำนองลองดีเพราะขนองไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคยขับรถแท็กเตอร์รือสารเจ้าแม่หนองตะโกเช่นเดียวกัน ระหว่างที่ให้คํากับสํานักเทวทูตข้าพเจ้าได้ฟังตลอดและขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการทำให้ข้าพเจ้าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณมากขึ้นอีกมากลงชื่อเซงองค์สุมาลิน